วันนี้เป็นวันปีใหม่ไทยเป็นวันที่สิบสามเมษาสนารแต่เมื่อเช้าก็มีพี่น้องประชาชนมาทำบุญมากพอสมควรแต่ถ้าจะว่าไปแล้วก็บางตาอยู่ไม่มากเพราะคงจะได้มาเมื่อวันที่สิบสองที่ผ่านมาแล้ววันที่สิบเ็ดที่ผ่านมาแล้วก็เลยวันที่สิบสาม้วิีกว่า ที่น้องชาวอำเภอนาโยไม่ค่อยมากแต่ตอนเย็นนี้ก็การอบรมตามปกติเป็นวันที่พวกเราเข้ามาเพื่อศึกษาเพื่อการอบรมอย่างเมื่อคืนที่แล้วผมจะได้เอามาย่อยอีกทีหนึ่งที่พระฝรั่งชาวเยอรมันถาม เมื่อคืนเนี่เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นคําถามที่น่าสนใจผมว่านะผมไปพิจารณาดูแล้วครับเป็นคําถามที่อยู่กับตัวพวกเราทุกคนถึงจะคิดหรือไม่คิดถึงจะพูดหรือไม่พูดก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องได้รับรู้หรือเรียนรู้เพราะว่า เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนจะหลบหลีหนีไม่พ้นในเมื่อหลบหลีหนีไม่พ้นพวกเราจะใช้ปัญญาพิจารณาหรือว่าใช้แนวเอาตัวกรอดหรือว่าเอาตัวเข้าไปไปเชิญ สิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรอย่างที่ว่าอย่างอาถรรพ์อ่างนั้นจะว่าอาถรรพ์ก็ไม่ใช่เพราะาอาถรรพ์กับสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่ใช่ถึงที่จะอาถรรพ์ต่อสู้เพียงแต่ว่าเอาสติปัญญาของเราเข้าไปใช้อย่าให้เพียงพร้มอย่าให้เสียเปียบจนเกินไปคือไม่ใช่ว่าพอเจอเข้ามาแล้ว ไม่เป็นท่าเป็นทางเสียเปรียบคล้ายๆกับว่าไม่รู้จักวิธีการปฏิบัติเอาเลยเหมือนกับฆ่าศึกศัตรูที่ยกทัพเข้ามาตีเราไม่ได้คิดอะไรไว้ก่อนเลยนอนเฉยพอพ้นฆ่าศึกศัตรูเข้ามาแล้วทําอะไรก็ไม่ถูกขี่แตกเกี่ยวลาดแต่ไม่รู้จะทํำยังไงผลที่สุดศัตรูเขาเลยจับเก็บไปหมดอันนี้ ถ้าว่าเราได้เตรียมการเอาไว้ได้คิดเอาไว้ก่อนล่วงหน้าศัตรูต้องมาเข้ามาแน่นอนแต่ก่อนที่ศัตรูจะมานั้นพวกเราจะเก็บหอมรอมริบทรัพย์สมบัติของเราไปหลบซ่อนไว้ที่ไหนถ้จะพาไปยังไงอันนี้ก็คือพวกเราควรจะได้คิดล่วงหน้าไว้ก่อนการคิดล่วงหน้ากับไม่คิดล่วงหน้านี่ได้เปรียบต่างกันมากผมว่านะ เพราะนั้นผมจึงจะเอาคำถามของพระฝรัง่งฟิลิปเป็นชาวเยอรมันที่ท่านบวชมาก็10สิบกว่าปีนะ11บปีอายุสี่สิบกว่าปีท่านก็เป็นท่องทังประเทศพมงพ้ามาหลายหงหลายแห่งเหมือนกันที่ท่านมาพักที่นี่ที่เป็นคำถามที่น่าศึกษาพอสมควรผมว่านะที่ท่านถามเมื่อคืนที่ผ่านมา คำถามแรกท่านก็ถามว่าตัวของท่านเองตัวผมเองเป็นโรคไวรัสซีคือไวรัสซีเนี่ยหมอเขาก็บอกว่าขั้นตอนต่อไปถ้ารักษาไม่ดีมันอาจจะกําเริบขึ้นไปทําให้ตับแข็งท่านก็พูดในรายละเอียดพอตับแข็งเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นมะเร็งได้ง่ายในเมื่อเป็นมะเร็งผมเป็นพระ ในขณะที่ผมป่วยเนี่ยผมจะปฏิบัติตนอย่างไรในขณะที่ป่วยรบเมื่ออาการนั้นเข้ามาถึงท้มันเป็นอย่างที่หมอบอกผมจะต้องเข้าโรงพยาบาลจะต้องรักษาการรักษาที่โรงพยาบาลนั้นก็จะต้องมีแพทย์หญิงแพทย์ชายมีพยาบาลหญิงชาย เข้าน้ำกงน้ำเกลือของออกซิยงออกซิเจนอาจจะปฏิบัติไม่ถูกเพราะเราเป็นพระอาจจะมาจับมาพิกมาอะไรเข้ามาก็ได้ท่านก็เลยถามว่าถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นผมอยากจะถามความเห็นของท่านอาจารย์จะปฏิบัติอย่างไรในเมื่อการนั้นมาถึงเราจะปล่อยไปรักษาตัวอย่างปล่อยให้หมอเขาทาอย่างสุดความสามารถของหมอ แล้วก็ตายไปเลยอย่างนั้นใช่ไหมหรือว่าจะทํำยังไงทั้งที่เราก็รู้รู้อยู่แล้วว่าอันนี้คือมะเร็งไม่สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ต้องตายแน่นี่ผมก็เลยตอบคําถามของท่านไปเมื่อคืนเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างผมนะคือเราก็ป่วยอยู่แล้วว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าป่วยเนี่เป็นมะเร็งในตับไม่สามารถที่จะ หลีกี้หนีพ้นไปได้มะเร็งทุกใครที่เราได้ศึกษามาสมัยก่อนเขาก็บอกว่าประมาณสิสติของเมืองไทยนะที่ได้รับทราบมาก็ว่าถ้ารู้ว่าเป็นมะเร็งในตับประมาณสเดือนกับสิวันสิสติสูงสุดอันนี้คือหมอทุกวันนี้อาจจะจืดออกไปแล้วก็ได้หรืออาจจะย่นเข้ามาก็ได้แต่ในยุคนั้นหมอ ตอบกับผมว่าซิสิติคนป่วยที่ว่าเป็นโรคตับที่รู้ว่าเป็นโรคตับแล้วจะประมาณนั้นตอนนี้อย่างโยมแม่ของผมก็เหมือนกันอายุ95้าบหปีไปผ่าตัดถุงน้ำดีออกพอต่อมาแล้วก็คงจะอักเสบมั้งก็เข้าไปในเครือข่ายนั้นผมก็ถามหมอทางกรุงเทพหมอท่านก็บอกว่านี่ประมาณนี่แหละสถานก า, ารย์ ก็ไม่ถึงจริงๆได้3มเดือนกว่าๆโยมแม่ก็ได้จากไปตอนนั้นผมว่าคือถ้ารู้แล้ววันนี้คือเป็นโรคมะเร็งในตับถ้าเรารักษาก็เท่านั้นแต่ถ้าเราไม่รักษาก็เท่านั้นคือที่รักษาก็ยืดไปหน่อยนึงถ้ารักษาก็ยืดไปหน่อยนึงถ้าไม่รักษาก็เอ อ, เอสั้นเข้ามาหน่อยนึง แต่ตามไม่จริงถ้าไม่รักษาเนี่ยถ้ามันมีอาการเจ็บปวดมากเราก็ควรจะรักษาตามอาการคือให้ยาแก้ปวดตามนั่นแหะถ้ามันเพราะว่ามันการเจ็บปวดมันเป็นการทรมานอย่างสุดอย่างสุดๆเวทนาทุกขเวทนาตัวนี้ถ้าพอจะช่วยได้จุดที่เวทนาเนี่ยก็ช่วยจุดนี้ถ้าไม่จุดนั้นแล้วก็ถ้าเราไปรักษาที่โรงพยาบาลให้หมอหรือพยาบาลมาลุมมาตุ่ม สําหรับเราเป็นพระสําหรับผมผมบอกควรจะออกมารักษาข้างนอกดีกว่ามีอะไรก็รักษาตามอัตภาพอย่างที่ผมบริยกตัวอย่างขึ้นอย่างองค์หลวงตามหาบัวท่านสั่งเสียแล้วสั่งเสียอีกถ้าหากว่าเราเก็บใครได้ป่วยถ้าเราบอกว่ายุดยาไม่เอาระยุดนะอย่ามาแต่ต้องเรา อย่าเขามาเกี่ยวข้องเราออกซิเจนออกซิเจนสายยงุงสายยา ง, พ ล, งพลุงพลังอะไรก็ตามยาเอาเข้ามายุ่งเราได้พิจารณาดูแล้วพอแล้วหยุดแล้วถึงจะทุกขเวทนาเกิดมาอย่างไรเมื่อกันนี้เป็นเรื่องของขัน<ม>ในช่วงนั้นใจของเราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้เหมือนกับรถที่มันลวนรถมันเบรกแตกอย่างนั้นขันทรงหลุดอย่างเนี้ย คนโซเฟอร์จะฝีมือดีขนาดไหนจะบังคับขนาดไหนรถคันนั้นมันก็ไม่ไปตามเป้าหมายอย่างที่โซเฟอร์ให้เป็นไปเพราะว่ามันรถเป็นเสียหลักอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายของคนเราถ้ามันเสียหลักแล้วมันเจ็บป่วยไปแล้วมันทุกพลภาพแล้วใจของเราจะบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการเป็นไปไม่ได้ให้หยุดนิ่งเอออย่างเนี้ย ไม่ให้มันชักกระตุกอย่างนี้มันก็บังคับไม่ได้เพราะว่าธาตุขันกับใจนามธรรมกับรูปธรรมเลยรูปธรรมไม่สามารถที่จะ บ, บังคับนามธรรมไม่สามารถที่จะ บ, บังคับรูปธรรมได้ใครที่บอกคนขัรถไม่สามารถที่จะ บ, บังคับรถให้ไปสู่เป้าหมายได้มันก็ต้องธรรมดาเวทนามนเกิด ขึ้นมาในกายนั้นแต่ถึงยังไงก็ถึงจุดจบจะเข้ามายุคไม่ต้องทําอะไรให้มันแสดงไปตามธาตุขันแสดงไปตามรูปประธรรมคือธาตุขันอันนี้ผมว่าหลวงตาพูดถูกต้องควรจะเป็นอย่างนั้นเมื่อเราบวชเป็นพระเราก็จต้องจะต้องอาจฐานแก้วกล้า ในการพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมรณะภัยที่จะมาถึงถ้าพระกรรมฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายไม่พิจารณาไม่ภาวนาถึงมรณะภัยแล้วไม่พิจารณามรณะรุสติแล้วจะพิจารณาอะไรจะคิดอะไรแต่ละวันว่าต้องคิดถึงความตายไปอยู่เสมอคือเตรียมพร้อมมาอยู่เสมอไม่ใช่ว่าเข้าไปหาหมออย่างที่หมอเขาพูด พระเถระบางองค์เข้าไปหาหมอทั้งที่มะเร็งปูดขึ้นเต็มตัวแล้วให้ใครัว่ามันเข้าไปตีต่อมน้ำเหลืองหมดแล้วยังถามว่าอาตมาจะหายไหมจะรักษาหายไหมฟังดูแล้วจนหมอลำคันสิ่งเหล่านี้กรรมฐานพระกรรมฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายควรเตรียมพร้อมไว้ แต่ว่าก็น่าคิดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าว่ากรรมฐานที่ไม่ภาวนาให้จริงจังทามาถึงจุดนั้นมันใจอ่อนนะอันนี้ก็คิดไว้เผื่อไว้มากๆเหมือนกันคือมันวิตกกังวลมันใจอ่อนเขาว่าอะไรว่าจะหายก็อยากหายกับเขาทํำหมดทุกอย่างกลัวตายถ้าว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่กรรมฐานที่แท้จริงะ ถึงวันนั้นอาจจะมาถือหลวงตาอินก็ไม่รู้แล้วบางั่นเถอะเออพราะนั้นก็ต้องคิดไว้ก่อนเหมือนกันในสิ่งเหล่านี้พราะนั้นให้เข้มแข็งเอาไว้ตายหนึ่งนั่นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นทตอนนี้คําถามที่หนึ่งก็ผ่านไปแล้วท่านก็ยอมรับว่า อ, อืดใช่ควรจะปฏิบัติอย่างที่ท่านอาจารย์พูดอต่อมาท่านก็ถามคําถามที่สองขึ้นมาอีกท่านว่าขณะที่ ป่วยหนักตัวใจจะขาดนั่นนะใจของเราจะวางอยู่ในระดับไหนเราจะจิตใจเราจะวางตัวอย่างไรวางใจอย่างไงในขณะที่ใจจะขาดอืมจุดนี้ก็เป็นจุดที่น่าคิดเหมือนกันคือขณะที่ใจจะขาดหรือว่าใจจะหลุดออกจากร่างกายถ้าเราวางไม่ดีนะถ้าเราคิดไม่ดีมันไปทางไหนได้ทั้งนะั้น อย่างที่ว่าพระทิกสุตเป็นห่วงผ้ากี่บอตายแล้วไปเป็นเล่ดอย่างเนี้ยมันเป็นไปได้เพราะนั้นถาาว่าพวกเราได้เตรียมพร้อมเอาไว้ได้ทําใจเอาไว้ได้พิจารณาเอาไว้ถึงยังไงร่างกายเนี่ยจะต้องแตกตายที่สุดถึงจะทุกขนาดไหนเวทนากล้าขนาดไหนก็เถอะอแต่ว่าใจของเราเนี่ยจะต้องให้พิจารณาแยกกาย แยกกายออกจากใจแยกใจออกจากกายแยกจิตออกจากเวทนาแยกเวทนาออกจากจิตแยกร่างกายออกจากใจแยกใจออกจากร่างกายกายกระสักว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเจ็บกระสักว่าเจ็บถ้าใจไปยึดมั่นถือมั่นใจกายมันก็ต้องเจ็บถ้าว่าใจของเราออกจากร่างเราดูออกมาดูข้างนอกดู ถ้าคนตายแล้วเอาเผาไฟเอามีดสับขวานฟันอะไรค้อนทุบอะไรมันเจ็บไหมไม่เจ็บเพราะเหตุไรเพราะคนตายแล้วใจออกจากร่างแล้วอันนี้เราก็สมมติว่าเราเอาใจออกจากร่างรู้สิเราออกมายืนข้างนอกเวทนากระสักว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราดูอันนี้ให้สมมุติดูไปใหม่เมื่อสมมุติมันก็คงจะไม่ออกไปได้ แต่หลายครั้งต่อหลายหนเนี่ยมันก็ต้องพยายามรู้อพิจารณาหลายครั้งต่อหลายหนแยกพยายามแยกให้ออกถึงจะแยกไม่ออกก็ถือสุดท้ายมันก็ต้องออกแน่ถึงข่าวตายน่ะไม่ออกได้ยังไงเยพยายามมัดโจราดบีบเข้าไปแล้วถึงจะยอมรับหรือไม่ยอมรับใจจะยอมรับหรือไม่ยอมรับถึงจุดนั้นมันก็ต้องออกแน่ร่างกายใจก็ต้องออกจากร่างแน่เหมือนกับ รถอย่างนี้ยถ้ามันเสียแล้วเครื่องมันแตกแล้วลูกสูบมันติดแล้วจะฝีมือดีขนาดไหนก็เถอะโซเฟอร์ก็ไม่ให้สามารถที่จะขับไปได้เพราะเหตุใดเพราะรถมันเสียรถมันพังแล้วหม้อน้ํามันพังเครื่องมันพังแล้วอันนี้ก็เหมือนการร่างกายมันพังแล้วใจของเราจะมาอยู่ในร่างกายมันอยู่ไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะร่างกายมันแตกแล้ว ในขณะที่มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นช่วงที่ปั่นป่วนที่สุดกายกับใจที่จะแตกออกจากออกจากกันที่จะแยกจากกันนี่เราจะทำใจยังไงในจุดนั้นอันนี้ก็คือถ้าเราไม่ได้ฝึกเอาไว้นะปั่นป่วนแน่นอนแต่ถ้าเราได้ฝึกเอาไว้ผมว่าสติของเราจะต้อง เขม่งเกี่ยวเข้าไปเรื่อยๆสติปัญญาของเราคงจะเขม่งเกี่ยวเข้าไปเรื่อยๆให้จิตอยู่กับสติอยู่กับจิตให้จิตอยู่กับจิตให้ใจอยู่กับใจให้รู้ใจของตัเองอยู่เสมอให้มีสติอยู่กับใจของตัวเองเดี๋ยวนี้ใจของเราอยู่ด้วยอาการอย่างไรวิตกกังวลเรื่องอะไรพยายามใจให้ว่างปล่อยวางที่ใจทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมเราสมัย เมื่อเรามีความสุขอยู่ว่าสิ่งนั้นก็คือของเราสิ่งนี้ก็คือของเรามาถึงจุดนี้แล้วร่างกายมันทนทุกทรมานอย่างนี้จะเป็นของเราได้อยู่หรือใจต้องรู้นะใจต้องปล่อยวางนะทุกสิ่งทุกอย่างนะสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราจากนั้นก็ทำใจให้ว่างให้อยู่กับตัวของเราในขณะนั้นพะมันเห็นทุกมาแล้ว มันจะว่าเป็นของเราได้ยังไงเผลอเผลอถ้าเร า, าพิจารณาถูกล็อกเรียว่าเกิดความเบื่อหน่ายในขณะนั้นนะ อ, อ, อาจจะได้สําเร็จเป็นพระอราหันต์ขึ้นมาได้ในทุกขเวทนาบีบคัน้นเรีว่าสัมมัสีสีได้สําเร็จเป็นพระอราหันต์ในจวนเจียนที่ใจจะขาดเรียว่าทิ้งตัดกิเลสในช่วงที่ใจจะขาดได้เป็นพระอราหันต์ในช่วงนั้น ก็มากต่อมากเพราะว่าตะก่อนก็รุ่มหลงในการเป็นอยู่แต่พอมาถึงเข้าจุดนั้นจริงๆมันไม่ใช่สวรรค์วิมานใช่แล้วมันกองทุกเป็นกองเพลิงทั้งแท่งอยู่แล้วเราจะมายึดมั่นถือมั่นถ้าเราไปพบน้าชาติหน้าเราจะมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้ได้อยู่เลยมันเบื่อหน่ายไปหมดมันเบื่อหน่ายแล้วก็คลายคลายก็หลุดพ้นจากกิเลสไปได้ไง่ายอันนี้กควรทําใจอย่างนั้น ในเมื่ อ, อ, อทุกเขเวทนาเข้ามาบีบคั้นให้นักปฏิบัติทั้งหลายหรือว่าพวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปปล่อยใจไปอย่างอื่นให้วิ่งเข้ามาหาตัวผู้รู้ให้จับตัวผู้รู้ดูตัวผู้รู้อยู่กับตัวผู้รู้ปล่อยวางพยายามปล่อยวางไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นถ้าว่าพวกเรายังไม่พ้นทุกนะ ผมว่าพรมเป็นที่อยู่ของดวงวิญญาณดวงนั้นใจดวงนั้นคงจะเข้าอยู่ในฌาน เ, เพราะว่าใจอยู่ในใจมันไม่ได้ปุ่งออกไปข้างนอกรู้แจ้งเห็นจริงอยู่ในขณะนั้นเดี๋ยวนั้นปัจจุบันแจิตปัจจุบันนรรัรนทปล่อยใจให้ว่างอยู่ในขณะนั้นถ้าจิตหลุดพ้นในช่วงนั้นพรมเป็นอย่างต่ำํำมากกว่านั้นก็อาจจะได้สําเร็จพบภูมิ โสดาสกทาคาอนาคาอารหันได้แต่ถ้าว่าเราเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยเรารา ล, ลึกถึงคุณงามความดีและลึกถึงทานและลึกถึงศีลและลึกถึงการปฏิบัติบิดามารดาและลึกถึงการสร้างคุณงามความดีอันนี้เมื่อใจขาดแล้วก็ไปสู่สวรรค์อันนี้ก็คือออกไปไปสู่สวรรค์ได้ง่าย ออกไป่ใช่สวรรค์เขาไปเกิดเป็นมนุษย์ภพภูมิที่ดีพราะบุญกุศลผักส่งพาไปแต่ถ้าว่าใจของเราคิดไปในทางอากุศลคิดไปในทางชั่วจิตใจปิตกกังวลวา้าเหวี่ยงว่า ง, างสับสนวุ่นวายพอตายไปแล้วก็มืดมนอนตการไม่รู้จะปิดไปทิศ ท, ทางไหน เ, เหมือนกับเราอยู่มรสุมปั่นปวดอย่างนั้นพอตายพอแล้วอาจจะตกต่ําก็ได้เพราะนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดที่ ควรจะศึกษาควรจะใส่ใจไว้ตั้งแต่เรายังแข็งแรงด้วยเรายังปฏิบัติอยู่ที่พระท่านฟิลิปที่ถามผมจุดนี้ผมว่าเป็นจุดที่ทุกคนต้องไปเชิญกันด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ว่าท่านผู้ใดใครผู้หนึ่งจะต้องประสบในมรณาภายัยแล้วก็ควรจะทําใจอย่างไร ในขณะที่ตอนที่ธาตุขันจะแตกจะดับใจของเราจะวางใจยังไงในในช่วงนั้นเป็นสินที่พวกเราควรจะศึกษานะศึกษาและก็ปฏิบัติให้เข้มแข็งให้รู้เท่ารู้ทันเตรียมเอาไว้ในจุดนั้นอันนี้ก็คือคำถามที่สองคำถามที่สามท่านถามมาอีกว่า การปฏิบัติธรรมคล้ายๆกับว่ามันขึ้นๆลงๆรุ่มๆดอนๆมันไม่สม่ำเสมอบางครั้งก็ทับว่าดีแต่บางครั้งก็รู้สึกว่าย่าแย่กิเลสเข้ามาเล่นงานย่าแย่แต่บางครั้งก็รู้สึกว่าเหมือนกับไปได้รวดเร็วเอ ไปได้ได้ดีเป็นที่พอใจที่ท่านพูดก็เหมือนกับว่าสมัยอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ราาารแนะนําสั่งสอนก็คิดว่าตัวเองปฏิบัติดีปฏิบัติได้จิตใจเยือกเย็นแต่ในใจของเราถ้าว่าออกจากครูบาอาจารย์ไปอยู่ตามลําพังปฏิบัติตามลําพังอาจจะดีกว่านี้ เพราะว่าอยู่นี่มีภาระอยู่กับครูบาอาจารย์มีภารธุระมากถ้าเราออกไปเราจะมีตัดภาระในการเกี่ยวข้องกับคู่คนออกไปอยู่ตามลำพังเราคงจะดีกว่านี้อันนี้ก็หนีออกไปหรอวาลาครูบาอาจารย์ออกไปไปอยู่ตามลำพังไปอยู่ใหม่ๆก็ดีไปอยู่ใหม่ๆก็ดีดตั้งอกตั้งใจดีภาวนาดีพอไปอยู่ในช่วงระยะหนึ่ง ถ้าว่าไม่รักษาตัวนะไม่เข้มงวดกวดขันกับตัวเองปล่อยปะละเลยเนีพอเราไปอยู่ตามลาพังไม่มีครูบาอาจารย์ดุด่ า, าว่ากล่าวไม่มีครูบาอาจารย์แนะนำพัมสอนก็ไปอยู่ตามลาพังผลที่สูดก็ปล่อยปะละเลยบางทีก็ป่อยกิจวัดบงังคบคู่คบคนบางคบหญิงคบชายบางังที่มาเกี่ยวข้องผลที่สุดธรรมะที่เคยได้มาเนี่ย มันร่อยหนอลงไปเรื่อยๆมันเสื่อมคลายไปเรื่อยๆผลที่สุดตัวกิเลสมันเข้ามามันเข้ามาแทนในเมื่อเข้ามาแทนแล้วตันี้ใจทั้งที่มันจะเย็นกับร้อนรุ่มร้อนใจร้อนไม่มีอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าใจร้อนตากแดด ก, ก็ยังไม่สู้ใจร้อนไม่ได้ใจร้อนนี่ถึงจะอยู่ในห้องแอร์มันก็ร้อนระทมทุกอ ย, อย่างอย่างนั้นเพราะนั่นใจร้อนเนี่เป็นเป็นความทุกข์ ที่สุดในผู้ปฏิบัติธรรมเพราะนั้นท่านจึงถามว่าถ้ามันเป็นลักษณะนั้นจะทำอย่างไรงอันนี้หลวงพ่อก็บอว่ า, วาอันดับแรกก่อนถ้าเป็นไปได้ต้องกลับเข้ามาหาครูบาอาจารย์แต่ว่ากลับเข้ามาในข่าวนี้มันมีเหมือนแต่ก่อนนะมันมันเหมือนอะไรมันแข็งแข็งขวางขวา ง, างอะนะแต่ถ้าว่าเราจะหยบหรืออ่อนเห็นโทษเราเข้ามาอันนั้นดี แต่ถ้าว่าเราไม่เป็นอย่างนั้นที่เราจะเอาชนะมันได้มันเกิดขึ้นมาในใจเราเราจะเอาชนะใจเราได้อย่างไรอันนี้เราก็เอาใจเราสู้เราเลยทีนี้เอาปัญญาเอาขันติเอาขันติเ อ, นตเอาวิริยะเอาเอาธรรมบา ร, รมีสิบทัศที่พระพุทธเจ้าวางไว้มาใช้เลยทีนี้เออเอามาบังคับตัวเองเลย คลองผ้าเสเวียงบาแล้วกับกราบพระประธานเนีกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ถึงไม่มีพระประธานก็หันหน้าไประลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ตั้งกิตอธิษฐานให้แน่วแน่ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทั้งหับทั้งตื่นระลึกได้หรือไม่ระลึกได้ก็ดีขอมอบกายถวายชีวิตเป็นอาจินไตข้าพเจ้าจะไม่เป็นอย่างอื่น จะดำรงทรงศาสนาอยู่ตลอดไปจะไม่ทําความชั่วในเมื่อระลึกได้อันนี้คือความชั่วข้าพเจ้าจะไม่ทําโดยเด็ดขาดข้าพเจ้าจะทําความดีเท่านั้นคือตัดใจอย่างนั้นอย่างเด็ดขาดและะ้วนี้กิเลสที่มันถ่วงเราที่เราลุ่มหลงไปมันจะขาดกระเด็นออกไปแต่เราจะกล้าไหมแต่โดยมากถ้าว่าจิตใจมันอ่อนจิตใจมันตกแล้ว โดยมากมันจะไม่เข้มแข็งถึงขนาดนั้นถ้าไม่มีบา ร, รมีและไม่มีคุณธรรมในจิตใจตโดยมากมันจะไม่กล้าพูดมันจะละเลงละลายหายเข้ากีดเม็ผลุริสุดจะอยู่ในศาสนาไม่ได้นี่แหละโดยมากพระที่หายตายจากศาสนาโดยมากจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าว่าจิตใจเรามั่นคงหนักแน่นเข้ามาแล้วตัดกิเลส ต, ตัวนั้นขาดกระจุยออกไปแล้ว นั่นแหละหนึ่งเดียววะกันใจเป็นหนึ่งเดียวคือใจไม่มีสองถ้าวัดใจมันยังมุ่งหวังไปทางโลกอยู่ในแง่หนึ่งมุ่งหวังไปทางธรรมในแง่หนึ่งมันเป็นสองแง่สองง่ามไปนิพพานไม่ได้แล้วไปนิพพานไม่ได้มันต้องตัดขาดทางด้านหนึ่งให้เป็นหนึ่งเดียวจึงจะเดินตรงต่อทางมรรคผลนิพพานได้เพราะนั้น ถ้าผู้ใดก็ตามตาทว่าจิตใจยังลวนเลยอยู่นะลวนเลยอยู่ไปไม่ได้ต้องติดอย่างที่หลวงปู่ล่าท่านพูดนะผมมาพูดถึงพลระลึกถึงหลวงปู่ล่าพูดหลวงปู่ล่าท่านบอกว่าประตูนิพพานเล็กกว่าเข็มเล็กกว่าปลายเข็มถ้กษดาท่านถ้ามีกิ่งไม้สองแง่สองง่ามมันจะไปเข้าได้อย่างไงใช่ไหม อันนี้ก็เหมือนกันนะน่ะอันนี้ท่านเปรียบเทียบให้ฟังอันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าจิตใจยังเป็นสองทั้งทา ง, ทงโลกอยู่แล้วกระทาด้วยจะเดินไปมันก็ติดไปไม่ได้นี่แหละถ้าว่าจิตใจของเราเป็นอย่างนั้นควรปฏิบัติอย่างนี้อันนี้ก็ผมก็ให้คำตอบอย่างนั้นและอีกอย่างหนึ่งท่านก็เคยไปอยู่เข้าคอส อยู่ในต่างประเทศอย่างประเทศพมา่าเขาจะไม่ให้เกี่ยวข้องกับใครท่านก็ไปนั่งภาวนาพอไปนั่งภาวนาทีแรกมันก็ดีปฏิบัติก็ดีเออดีพออยู่ไปอยู่มาไม่ได้คุกค้าสมาคมไม่ได้สนทนาปารกเพราะจิตใจไม่มีหลักถ้าจิตใจมีหลักแล้วทำอย่างนั้นได้อยู่ตามลำพังได้ปฏิบัติได้ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครได้อยู่ตามลาพังใจมีหลัก แต่ถ้าว่าใจไม่มีหลักแล้วอยู่ไปมันเหือดแห้งไปเรื่อยๆสังขารมันเริ่มปุงขึ้นเรื่อยๆสัญญามันคิดออกเรื่อยๆผลที่สุดนั่นแหละสัญญากับสังขารมันออกไปทีนี้อยู่ไม่ได้สับสนวุ่นวายเพ้อเผลิกัน้นอยู่ก็จะเป็นบ้าอะไรง่ายๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะต้องศึกษาศึกษากับครูบาอาจารย์ศึกษากับ จะต้องอย่างน้อยกับหมู่เพื่อนให้กติหรือว่าเป็นแนวความคิดอย่างน้บัณฑิตาจะเซวนาเออเซวนาจะบาลานังบัณฑิตาจะเซวนาให้คาว่าให้ศึกษาให้ถามท่านผู้รู้ที่จะเป็นผู้แนะแนวทางให้ได้หรือว่าศึกษาในภาคปฏิบัติในเรื่องกิจตภาวนาของตนที่มันจะติดขัด นี่เราคงหงพ่อว่าคําถามของท่านที่ถามเมื่อคืนที่แล้วสามข้อเป็นคําถามที่ใช้ในชีวิตประจําวันของพระกรรมฐานคําถามแรกคือว่าจะใค้ได้ป่วยแล้วจะรักษาอย่างไรในเมื่อถึงถึงข่าวที่จะถึงข่าวสิ้นสุดของชีวิตว่ารักษาไม่หายและจะทําตัวอย่างไร จะรักษาอย่างไรอันดับที่สองเมื่อใจจะขาดจะวางจิตใจอย่างไรจรึงจะเหมาะสมขณะที่ใจกับร่างกายจะแตกออกจากกันจะวางใจอย่างไรข้อที่สมเมื่อเราเป็นพระเมื่อปฏิบัติไปใจมันร้อนใจมันสงสัยแล้วจะปฏิบัติตนอย่างไร สรุปแล้วคืใจมันรวนเละใจมันมันคลายเพราะงั้นมันคลายจากธรรมะมันเห็นมาทางโลกเป็นสวรรค์ที่มานไปในช่วงนั้นแต่ที่แรกก็คิดว่าทางโลกเราจะต้องไปหนีหนีโลกให้พ้นเรามองโลก อ, อ, อันนี้โลกมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายมีแต่เรื่องทุกข์เราจะต้องหนีให้พ้นแต่พอไปมาพอจิตมันตก มันมองธรรมเป็นเรื่องที่เงียบเหงาเศร้าซึมมองโลกเป็นสวรรค์ไปฮมันเป็นอย่างนั้นใจของเราเนี่ยมันเป็นมันเปลี่ยนแปลงได้เพราะนั้นถ้าเราพิจารณาดูแล้วอะธรรมะเป็นของเลิศประเสริฐแต่จิตใจของเราไปล่มหลงกับกิเลสเหล่านั้นพิจารณาดูให้ดีเจพิจารณาธรรมของพุทธเจ้า ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงปลายสุดว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรเราได้พิจารณาดูแล้วพิจารณาดูหลายครั้งต่อหลายหนก็รู้แจ้งเห็นจริงว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามีเหตุมีผลเป็นสวากาตธรรมตรัสไว้ถูกต้องแต่ว่าอีกสักวันหนึ่งต่อมาใจของเรากลับมาเห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็น ธรรมะที่เงียบเหงาแล้วก็มองดูทางโลกเป็นที่สนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮารื่นเริงใจมีความสุขเพราะ ก, กิเลสมันพาเดินแล้วจะเอาอยัางไงทีนี้นี่แมันสับสนแล้วนะทีนี้นั่นแหละทาว่าเราจะเดินทางทำอย่างเดีดเด่ยวๆแล้วก็ตัดเลยทางโลกอย่างที่ผมได้ให้ความคิดสำหรับท่านพระฝรัง่ง ผมว่าคิดว่าผมว่าผมให้แนวความคิดมันออกมาจากใจผมเหมือนกันในสิ่งเหล่านั้นนะเคยพบเคยเจอมาเหมือนกันในสิ่งเหล่านั้นนะเพราะนั้นพวกเราทุกทกท่านนะนที่บวชมาในครั้งนี้ถึงยังไงพวกเราก็ให้ฟังเอาไว้อันดับแรกก็คือเรื่องเจ็บไข้ในป่วยนั้นคือกระสุดแท้แต่อนนั้นกระสุดแท้แต่ พวกเราจะวางตัวยังไงแต่อันดับที่สองเนี่ยคำถามที่สองเนี่ยเรื่องจิตใจเนี่ยเมื่อใจจะขาดเราจะวางตัวยังไงอันนี้จุดนี้เราควรจะศึกษาให้ดีมันเป็นเรื่องของเราทุกคนจะต้องประสบพบเห็นหรือว่าต้องเจอแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นในขณะที่มันเป็นอย่างนั้นเราควรจะวางตัววางใจอย่างไร ในเมื่อมรณะภัยเข้ามาถึงตัวของเราถ้าเราวางตัวผิดที่ผิดทางก็ทําให้เสียหลักไปได้ง่ายๆแต่ถ้าว่าเราเป็นผู้อาถรรพิจารณ า, นานดูด้วยหลักธรรมวินัยด้วยหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักยึดแล้วนะเราอาจจะถีบตัวถีบใจของเรากระเด็นออกจากโลกวัตฏะสงสารเข้าสู่แดนพระนิพพานเอ๊ะ โลกไม่สามารถที่ดึงดูดได้เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรมไปเข้าสู่ธรรมธาตุไปเนี่ยไปได้ไง่ายๆเหมือนกันเพราะว่าเราได้พิจารณามาแล้วแต่มันก็ยังติดๆขัดๆติดๆขัดๆยังไม่มั่นใจแต่พอมาเจอของจริงเข้าเท่านั้นเอมันรู้จริงเห็นจริงเออใช่เราพิจารณามาต้องนมนานมันจริงๆว่ามันไ ม, ไม่ไม่ใช่สวรรค์มิพิมาเนี่ว่ามันมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้น แต่ถ้าว่าเราเข้มแข็งนะเราเอาจจะกระโดดออกไปได้กระเด็นออกไปได้ถีบตัวออกไปได้แต่ถ้าว่าเราไม่เข้มแข็งนะพอมันทุกขเข้ามาก็มีแต่จิตใจทุกขระทมน้ําตานองหน้าร้องโหมร้องไห้มีแต่อยากจะหายจากโรคภยัยไข้เจ็บเพราะตายด้วยความทุกข์ทรมา น, นเท่านอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นเข้ามาก็ว่าตายด้วยควา ม, ต า, ววามตายด้วยการเสียหลักก้อนนั้นเถอะเสียหลัก ตายดย้วยการเสียหลักเหมือนกับไม่มีประตูที่จะสู้แบบหลุดลุยเลยวงั้นยอมแพ้แบบเต็มประตูเลยเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะคำถามที่สองเนี่ยผมว่าเป็นคำถามที่น่าคิดทีเดียวนะสาหรับพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะแต่ว่าถึงยังไงก็ตามเรื่องสมาธิก่อนที่จะถึงอย่างนั้นได้เราต้องฝึกสมาธิในจิตใจของเรา สมาธนะิเป็นสิ่งที่จาเป็นและสำคัญคือตรอมใจหรือว่าเอาใจเข้ามาจดจอ่อแล้วเข้ามาจับจุดใดจุดหนึ่งกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกลมมันอยู่ในกายกายนะคือกายร่างกายคือรูปประธรรมไม่เป็นอย่างอื่นใจของเราเรามายึดมาพิจารณามายึดที่ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า ก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจออกสั้นออกยาวก็ให้รู้ว่าหายใจเข้าออกนั้นให้มีสติในลมหายใจเข้าหายใจออกในเมื่อเรากำหนดดูลมหายใจเข้าออกแล้วใจของเราไม่เผลอพยายามจนไม่เผลอนิ่งอยู่กับลมหายใจเข้าออกนั้นมีสติอยู่จุดนั้นนี่แหละอันนี้คืเมื่อ ทำได้อย่างนั้นความสงบจะเข้ามาเยือนเข้ามาหาจิตดวงนั้นใจดวงนั้นผู้มุ่งมั่นอย่างนั้นอันดับแรกใจของเราจะเย็นสบายในชั่วขณะหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งชั่วขณะที่เรานั่งสมาธิมันจะวาบเข้ามาลักษณะเย็นสบายอันนี้เรารู้ว่าจิตประเภทนั้นแปลว่าเราไม่เคยพบเคยเจอมาก่อน จิตประเภทอย่างนี้ถ้าผู้ไม่เคยได้รับความสงบมาก่อนนะถ้าผู้ได้เคยฝึกมาแล้วก็ไม่ว่ากันถ้าผู้ไม่เคยจิตสงบมาก่อนเราจะรู้ได้ว่าจิตสงบอย่างนี้จิตที่มีอาการอย่างนี้ไม่เคยเจอมาก่อนจิตเย็นสบายแต่มันเข้ามาอย่างไรในขณะที่มันมันมันจะเข้ามานะแต่ไม่ใช่หลับ แต่อยู่กับที่อยู่มีแต่สติอยู่กับตัวเองแต่มันก็เหมือนกับเราเผลอหรือว่าเราลืมหรือว่าสุดแท้แต่ที่เราสุดวิสัยที่จะตามดูในขณะนั้นได้วะ่ะจิตช่วงนั้นมันเป็นอย่างไรอันนี้แปลว่าแต่พอประมวลได้ว่าขณะนั้นจิตของเราอยู่กับตัวเองไม่ได้เผลอไปตรงไหนแต่เหมือนลักษณะมัน มันมีส่วนหนึ่งที่มันเผลอไปแต่ตาไม่จิบมันก็ไม่เห็นเผลอแต่มันก็อยู่กับที่อยู่แต่มันทําไมมันมีความเย็นขึ้นมาสุขสบายในใจขึ้นมาอันนี้แปลว่าจิตจุดนั้นคือว่าจิตคณิกะสมาธิมันเย็นวาดเข้ามาในใจพอเย็นเข้ามาเราก็มีความสุขจากนั้นก็ออกไปจิตแใจก็ถอนออกไปแต่เราก็รู้สึกอือมันหนอกทออออกไป บางคนก็อยากจะให้มันเป็นอีกอย่างนั้นอีกอมันก็ไม่เป็นนะถ้าอยากให้เป็นนะมันจะไม่เป็นเราต้องพยายามทำอีกอย่างเก่ากำหนดลมหายใจเขาออกไม่ได้สนใจนะมันจะเป็นมันจะมาไม่ต้องสนใจทั้งนั้นเราไม่ต้องคิดวิตกกังวลว่าอยากจะให้มันเป็นอีกมีแต่ว่าเรากำหนดลมหายใจอย่างเก่านี่แหละถ้าเราทาอย่างนั้นได้ ต่อไปมันก็คงจะสงบขึ้นมาเรื่อยทีนี้ความสงบนั้นเราจะรู้เห็นได้ด้วยตัว้องเราเองนะทีนี้จากนั้นก็จิตเข้าสู่ความสงบในอันดับรองลงมาหรืออันดับสองเข้าไปก็คืออุปจารสมาธิอุปจารสมาธิเนี่ยจิตเข้าสู่ความสงบคือมันไม่หิวไม่หยจิตอยู่กับตัวจิตนิ่งแต่ผมว่าจิตอยู่ว่างั้นจิตไม่วอกแวก จิตไม่กระสับกระส่ายจิตอยู่กับตัวเองใจอยู่กับตัวเองได้ยินเสียงแต่ว่าใจไม่ส่งไปตามเสียงจะเป็นเสียงอะไรเราก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่ใจดูใจอยู่ตัวเองตลอดรู้ที่ใจตลอดใจไม่หิวไม่หอยไม่อยากแปลว่าใจอิ่มตัวในขณะนั้นใจมีเหตุมีผลใจพอตัว ในขณะนั้นเรียกว่าจิตที่เป็นอุปจารสมาธินี่มันไม่ออกไปข้างนอกรู้เห็นอยู่ที่ทางทางหูนะโดยมากสัมผัสทางหูถ้าได้ยินออกมาเพราะว่าตาเราก็หลับอยู่แล้วเราไม่ลืมตาอยู่แล้วแต่ได้ยินสางหูใจจะไม่ส่งไปทางทางังรู้เพราะรู้แล้วกระจบรู้แล้วกระจบแต่กระดูที่ใจใจของตัวเองนิ่ง สบายนิ่งรู้รู้อยู่สติรู้อยู่ในในใจนั้นอันนี้แปลว่าอุปจารสมาธิถ้าเราพยายามทำจิตใจอยู่อย่างนั้นดูใจอยู่อย่างนั้นไม่ให้มันออกไปข้างนอกพยายามประคับประคองระหว่างดูให้มันนิ่งอยู่อย่างนั้นมันจะลงไปถึงอัปปนาสมาธิได้ง่ายเหมือนกันอัปปนาสมาธินี่แปลว่ามันสงบลงไปอีกในระดับหนึ่ง สมาธิอัปปนาสมาธิเนี่ยมันจะเลยลึกลงไปจนไม่รู้ว่าเรานั่งอยู่หนะ้าที่ใดเราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งหมดเสียงนกเสียงกาเสียงอะไรก็ไม่รู้ตัวเองนั่งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าสติกับจิตนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวรู้อยู่ตลอดเวลาเลยนิ่ง มีความรู้สึกอย่างนั้นเสียงต่างๆไม่ได้ยินเรานั่งอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่มันจะอยู่เข้านานมากน้อยอยางไงแค่ไหนอันนั้นเราก็ไม่รู้พอถึงกาหนดพอถึงกำลังข้งมันที่มันเข้าไปแล้วมันก็จะถอนออกมาแต่มันก็ถอนออกมาแต่โดยมากจะไม่นาน แหมบางคนบางท่านบ า, บางองค์ก็นานจะเข้าไปอยู่ในานานก็มีที่กำลังของท่านดีสติของท่านพร้อมตั้งแต่ทีแรกแต่โดยมากจะไม่นานแต่พอจิตถอนออกมารู้สึกตัวว่าเราเมื่อกี้นี่ใจของเราเป็นยังไงอันนี้นักปฏิบัติทั้งหลายเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบถึงอัปปนาสมาธิ พอถอนออกมาอย่างนั้นแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครว่านีจิตสงบไหมไม่ต้องถามเพราะรู้ด้วยตนเองถ้าว่าถามคนอื่นก็ถามอย่างเชิงไปอย่างนั้นถามอย่างเชิงว่านี่จิตสงบใช่ไหมอย่างลักษณะอย่างนี้แต่ตัวเองมั่นใจร้อยทั้งร้อยเลยว่าอันนั้นคือจิตสงบ อ, อันนี้แปลว่าจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิจิตที่เป็นอัปปนาสมาธินี้มิใช่ว่า จะทำจิตให้สงบได้ไง่ายๆไม่ใช่ว่าจะเดินไปกลางถนนหนทางและวว่าอยู่ในที่สาธารณะอย่างที่พวกเรานั่งอยู่บนศาลายอย่างนี้จะจติดเข้าสู่ความสงบเป็นอัปปนาสมาธินั้นผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าจิตที่เป็นอัปปนาสมาธินั้นคืออยู่ตามลําพังและเป็นที่ปลอดภัยเป็นที่เอกเทศที่สุดก็ว่าไม่มีภัยอะไรจิตจึงจะเข้าสู่ความสงบในจุดนั้น ถ้าว่ามันเป็นพิษเป็นภยยัยจิตใจยังมีความวอกวัดออกไปอยู่ในเชี่ยววินาทีก็ตามมันจะเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งไม่ได้ถ้าว่าจิตของเราดูแลความปลอดภยัยมนะีจิตก้าวเดินไปออหรือว่านั่งสมาธิเข้าสู่ความสงบได้แต่ถ้าว่าถามว่าขนาดที่เดิน่ จิตจะเข้าสู่ความสงบถึงขั้นอัปปนาสมาธิได้ไหมอันนี้ได้ได้เพราะผมเคยเจอมาแล้วที่จิตที่เป็นจิตสงบยอย่างเนี้ยผมว่ารับประกันได้ว่าได้จิตเข้าสู่ความสงบเวลาจิตจะสงบถึงอย่างนั้นมันจะขาเนี่ยมันจะเช็ดปั๊บยืนนิ่งเลยมันจะไม่ก้าว มันจะนิ่งโดยอัตโนมัติจากนั้นจิตก็นิ่งอยู่ในตัวแต่ว่าการที่จิตจะสงบอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราเดินไปถนนโผนทางเดินบิณฑบาตมันจะสงบแล้วมันหยุดอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ต้องเป็นที่ปลอดภัยอย่างที่ผมได้กล่าวเนี่ยอันนี้ก็คือจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิยืนเดินนั่งนอนได้ทั้งนั้น แต่ว่าเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบอย่างนั้นนะเชื่อมั่นในตนเองไม่ต้องถามใครตัวเองเชื่อในตนเองว่านี่คือจิตสงบเอเหมือนกับเราทานเกลือหรือทานพริกทานน้าตาลอย่างนั้นเราไม่ต้องถามใครว่าอันนี้น้ําตาลเค็มอย่างนี้ใช่ไหมเกลือเค็มอย่างนี้ใช่ไหมพริกเผ็ดอย่างนี้ใช่ไหมรู้ได้ด้วยตนเองอันนี้ก็เหมือนกันจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิคืออย่างนั้นแต่พอมันลงไปมันก็ถอนขึ้นมา อถอนขึ้นมาโอ้จิตใจรู้สึกว่ามีความสุขเชื่อมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่นานว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเลยเรายกมือทั่วหัวเลยโอ้โหพระพุทธเจ้าพูดถูกจริงๆท่า น, นข้นคว้าได้ยังไงอันนี้คือในใจของผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนั้น แต่เมื่อถอนขึ้นมาแล้วถ้าหากว่าผู้ที่จะเดินทางวิปัสสนาขณะที่จิตลงเป็นถึงอัปปนาสมาธิแล้วแปลว่าจิตในช่วงนั้นมันคิดอะไรไม่ออกเห็นแต่วัตสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ได้เดินปัญญาไม่ได้จิตมันลงลึกเกินไปจิตจะต้องถอนขึ้นมาสู่อุปจารสมาธิ พอถอนขึ้นมาถึงอุปจารสมาธิพิจารณาพิจารณาได้เลยพิจารณาอะไรอย่างที่ผมได้กล่าวพิจารณาธาตุสี่พิจารณาสุภาษพิจารณาโครงกระดูกจะเห็นได้ชัดในความรู้สึกนั้นเพราะจิตของเราไม่กระซับกระสายไม่ลนเลไม่ได้คิดปุงฟุ้งออกไปข้างนอกให้ทํางานจุดไหนเป็นงานเป็นชิ้นเป็นอันคือไม่ได้ มันไม่เหมือนเด็กทำงานถ้าเด็กทำงานเด็กเข้ามาเดี๋ยวก็หลบไปหลบมาแต่ถ้าว่าจิตที่ได้รับการฝึกดีแล้วเออคือว่าอาหารก็อิ่มพอสมควรการพักผ่อนก็เพียงพออาวุธเครื่องมือที่เราใช้ทำงานนั้นก็พร้อมนั่นแหละที่นี่การทำงานของเราเนี่มันไปได้ได้ดี พ, พิจารณาถึงเรื่องอะไรก็จับได้ดีเห็นได้ดีรู้แจ้งเห็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าแนะนําสังว่เห็นอะไรแจ้งก็เห็นจริงๆริเพราะมันเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์จริงๆร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตวนของเรานะพิจารณากระดูกนะเห็นกระดูกเห็นชัดเจนจากย้อนมาถึงใจใจไปยึดมั่นถือมั่นในกระดูกในร่างกายสังขารว่าเป็นตัวตวนของเราใช่ไหมเห็นใจของตัวเอง<ๆ> included, เห็นจริงๆเห็นความรู้สึกของตัวเองเห็นชัดเจน เห็นความรู้สึกของตัวเองเห็นอย่างชัดเจนในขณะที่จิตที่เป็นอุปจารสมาธิพิจารณาเพราะนั้นท่านจึงว่าทำจิตใจให้สงบเป็นพื้นฐานแล้วนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาจะเกิดปัญญาที่แท้จริงแต่ถ้าว่าเราไม่ได้นั่งสมาธิแล้วมาเด็ดปฏิบัติจิตไม่เป็นสมาธิไม่มีพื้นฐานสมาธิเลยเราจะพิจารณาโดยทางปัญญาเสียเลย โดยมากสัญญากับสังขารจะวิ่งนำหน้าสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความปรุงแต่งของใจมันจะเคียงคู่กันใช่สังขารไม่ใช่ตัวตของเราใช่เกิดตายจริงแน่นอนใช่ร่างกายเป็นอสุภะใช่มันจะพูดพูดไปแต่มันไม่ลึกซึ้งมันไม่ถอนลากถอนโคนเหมือนกับสมาธิที่เห็นที่เห็นจริงๆาเห็นออกมาจาก ความลึกของหัวใจจริงๆถอนออกมาจากความรู้สึกของหัวใจจริงๆมันเห็นแบบผิวเผินเหมือนกับเราเห็นสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงไปเผาแล้วเผาอีกเผาคนไปเผาแล้วเผาอีกแต่พอตัวเองจะตายเท่านั้นนะท่านค่าจะตายอะไรท่านโอ้โหมันพิษคนละเรื่องละราวกัเลยก็ไปเผาคนอื่นนะอันนั้นก็เหมือนกันคือสัญญากับความจริงสัญญากับสังขารมันเป็นเหมือนกับเราไป เขาคนอื่นอย่างนั้นะก็อย่างนั้นแต่ปัญญาเนี่ยมันเหมือนกับเผาตัวเองเลยท่านเหมือนตัวเองจะตายเยขณะนี้ยตัวเองจะตายอะไรทำอย่างไงนั่นแหละท่านเห็นจริงเห็นจังเลยเห็อันนี้แหละที่ว่าสมาธิเห็นด้วยสมาธิเห็นด้วยปัญญาเนี่ยมันลักษณะอย่างนั้นอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังลักษณะเห็นเห็นลักษณะอย่างนั้นอืมแต่มันคมมันยิ่งกว่านั้นไปอีกเหมือนกัอนะเพื่อนๆพวกเราทุกๆท่านนะ ที่ได้ศึกษาในภาคปฏิบัตินะสมาธิเป็นยังไงที่ผมได้พูดให้ฟังมีขั้นตอนทีส่สาขั้นนะขณิกะสมาธิเป็นยังไงขณิกะอุปจาระสมาธิเป็นยังไงแล้วก็อัปปนาสมาธิเป็นยังไงสูงสุดของสมาธิก็มีอยู่3าสาขั้นตอนอย่างที่ผมได้กล่าวนะจากนั้นก็สมาธิไหนที่จะนํามาพิจารณาทางด้านปัญญา ผมก็ได้บอกว่าอุปจาระนะคณิกะเนี่คณิกะนี่น้อยเกินไปแต่ถ้าว่าจิตไม่เป็นสมาธิจะพิจารณาได้ไหมได้เราไปเห็นเดินนั่งรถไปเห็นหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายมนุษย์มนาล้มหายตายจากในถนนเราเห็นหมาตายในถนนเราก็น้องหมาตัวเราเนี่ยนี่มันก็เป็นธาตุเป็นขันเหมือนกันมันก็ตาย อีกสักวันหนึ่งเราก็ตายนะถ้าคนไม่เก็บไม่รับไม่เก็บหนึ่งถ้ามันเกิดศึกสงครามคนตายรถเกาะรถถางรถอะไรวิ่งเหยียบไปก็คงจะเหมือนกับหมาตายอย่างนี้แหละเราก็คิดขึ้นมากเปรียบเทียบร่างกายเราร่างกายสรรพสัตว์ทั้งหลายอันนี้ก็เป็นความคิดอีกเหมือนกันพิจารณาได้เหมือนกันแต่ว่าจะให้นึกซึ้งจริงๆอันนั้นก็คือเป็นแนวทางเอาไว้คิดเอาไว้ใช้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ต่อไปเมื่อเราเอาจริงจังเข้ามาประมวลเข้ามาคือใจที่จะตัดขาดของกิเลสเนี่ยคือเนี่ยใจจุดนี้เมื่อเราพิจ า, ารณาไร้ขั้งต่อไร้หนจนรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วนั่นแหละท่นเนี่ยมันตัดขาดได้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะวันนี้ผมได้พูดเบื้องต้นเกี่ยวกับพระฝรั่งตั้งคําถามถามการเก็บไข้ได้ป่วย สำหรับเป็นพระจะรักษาอย่างไรคำถามที่สองก็ว่าเมื่อใจจะขาดเมื่อใจจะออกจากร่างควรจะทจําใจยังไงพิจารณาอย่างไรควรจะวางใจอย่างไรในช่วงนั้นอันดับที่สาการปฏิบัติตนเมื่อจิตใจมันเสื่อมจิตใจมันเสื่อมจิตใจมันร้อน จะทำตัวอย่างไรผมก็ได้ตอบคำถามดนั้นผมก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องสมาธิกำหนดลมยังไงเป็นเบื้องต้นที่จะทำจิตให้สงบถึงคณิกะอุปจาระอั ป, ปนาจากนั้นพิจารณาอะไรทิ้งจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายลหลุกพลแต่ถึงยังไงก็ตาม ถึงจะพิจารณาอะไรก็ตามก็ให้มาดูที่ใจใจตัวนี้แหละใจที่เป็นไปเป็นเรื่องราวต่างๆเป็นผู้คิดผูกปรุงว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้นเรื่องนั้นเรื่องนี้มันออกไปจากใจทั้งหมดใจของเราเนี่ยแหละเป็นเจ้ากี่เจ้าการเป็นเรื่องเป็นราวใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหนาเพราะฉะนั้นธรรมะที่เราจะพิจารณาเนี่ยให้ย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้ให้ย้อนเข้ามาหาใจ นั่นแหละต้นเหตุของเรื่องทั้งหลายทั้งปวงถึงจะพูดทั้ง8ปดหมี่พันพระธรรมขันธ์พูดมากขนาดไหนก็เถอะถ้าไม่เข้ามาถึงใจไม่เข้ามาถึงตัวผู้รู้แล้วอันนั้นก็ยังปัดปัดไปๆพู ด, ด, ด, ด, ด, ดถึงกิ่งไม้ยอดนั้นยอดนี้ยอดนี้ยอดนั้นอยู่ในต้นไม้แต่ต้นไม้ในมันอยู่ได้เพราะรากแก้วของมันไงพอถอนรากแก้วขึ้นมาเท่านั้นแหะโคตรหมดอันนี้ก็เหมือนกัน ใจของเราเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเราก็คือตัวอวิชชาคือตัวกิเลสอยู่ในนี้ก้พิจารณาอย่างไรก็ตามพิจารณาอะไรก็ตามคิดเรื่องอะไรก็ตามทำเรื่องอะไรก็ตามอันนั้นทำเรื่องสังขารและสัญญามันพาไปมันพาทำแต่ต้นตอของเขาจริงๆต้นตอของเรื่องจริงๆอยู่ที่ใจนะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านนะเมื่อเข้ามาบวชหรือมาปฏิบัติธรรม ให้พวกเรารู้ว่าพระพุทธศาสนาสอนลงที่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจตัวนี้คือเต็มไปด้วยกิเลสใจตรงนี้เต็มไปด้วยธรรมใจเต็มไปด้วยความรู้ใจตัวนี้เต็มไปด้วยความโง่ความโง่ก็อยู่ที่นี่ความฉลาดก็อยู่ที่นี่เหมือนกับเราเรียนหนังสือสมัยก่อนเราโง่เราก็ไม่รู้พอเรียนรู้แล้วเราก็ฉลาดความโง่ก็ตกไปอันนี้คงเหมือนกัน ถ้าเรารู้แจ้งเห็นจริงแล้วกิเลสราคะโทสะโมหะก็ตกหลุดออกจากใจของเราใจของเรากุบริสุทธิ์หลุดพ้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นใจของเราเนี่ยเป็นจุดที่สําคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นที่พวกเราปฏิบัติธรรมะแล้วมรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจา้าพุทธรประสงค์ของพระพุทธเจา้าที่พ่อแม่กูบาอาจารย์หรือว่าความประสงค์ของพ่อแม่กูบาอาจารย์ที่ได้ปฏิบัติมาคับเนี่ย ให้ดูที่ใจให้ปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจถ้าใจรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก่นั่นะรู้แจ้งเห็นจริงจะไปยึดมั่นถือมั่นทำไมมันก็ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางจิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลส ท, ทั้งหลายทั้งปวงวันนี้ผมได้พูดธรรมะแนวภาคปฏิบัติให้แก่หมู่กเพื่อนได้ฟังขอจบ เพียงเท่านี้ก่อนนะตอนนี้ไปอานั่งสมาธินะัที่นี้นะ